สูบังสักหน่อยนะศึกษามาระยะทางไกลนั่งสบายการสั่งธรรมะในสั่งประนมมือก็ได้เป็นนมพอเป็นพิธีแล้วก็เก็บเอาไว้ตามสบายทังตัวเป็นนมมือก็เดียวโยงกับการเป็นนมมือปวดแขนยกขึ้นยกลงถนมนานๆเยอะก็ เมือ่อตกลงไปตกลงไปก็ทําให้ลมคานใจยกขึ้นนห็นะหจิตไม่สงบให้ไวจ้จิตจิตไปอย่างเนาะฉะนั้นการนั่งฟังธรรมะสมัยพุทธกาลก็ดีด้วยครูอาจารย์สายกรรมฐานสันอบรมต่างแผ่นต่างคนก็ต่างนั่งสงบจิตของตัวฟังทผ่นแสดงไปทผ่นจะแสดงอะไร ก็เป็นอาขีของท่านขี่แสดงให้ฟังเราเป็นผู้ฟังฟังไปอะไรที่มันไปสัมผัสกับจิตทําให้จิตตาบซึ่งก็จําเอาสิ่งนั้นไในใจะฟังให้จําได้ทุกถ้อยทุกคําไป <c oughs> จะผู้แสดงเองก็เหมือนกันพอแสดงไปแล้วก็หมดไปไในตาบว่าแสดงอะไรสูกแล้ผัวกัวฝูงฟัง โดยส่วนใหญ่การแสดงธรรมะด้านปฏิบัติเป็นอย่างนั้นในเหมือนพวกที่ศึกษาตหรับตำรามาพวกนั้นเขาจํากันมามีอะไรก็พูดตามตำรับตราพูดอยู่จีค้างจี่หนนกัของเก่าเร่องการฟังธรรมะปฏิบัตินั้นมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันท่านก็พูดสู่ฟังถ้าไม่มีก็จบไปแต่มันนี้มากก็พูดได้มาก แต่มีน้อยก็คือเด่น้อยบางทีมันไม่มีก็ปิดเลยบางทีมันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเต็มที่เต็มฐานนี่ปากกรอบสีสานก็คูอได้ทุก่ากแล้วแต่ระยะเหตุการณ์ที่มันจะขึ้นฉะนั้นเราูฟังก็เป็นหน้าที่ฟังตั้งใจทําความสงบระยะที่ฟังเพราะจิตการหน้าที่จะทำโดยกายจะคุดโดวยวาจาไม่มี มีแต่รักษาจิตของตัวไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาภายนอกรักษาเอาไว้ให้ธรรมะที่แสดงไปสัมผัสกับใจเป็นการกล่อมจิตกล่อมใจของตัวให้เย็นให้สงบพเพราะเรื่องของธรรมะ <c oughs> เป็นเรื่องขัดเกลาจิตเละตันหาเป็นเรื่องตำระความชั่ว ูฟังโดยการกำหนดจิตใจของตัวจึงไม่ขาดทุนสูนกำไรจึงไม่ได้ในการจำก่อตามแต่ระยะที่ฟังถือว่าเป็นการนัง่งภาวนาสงบอารมณ์สัญญ้ญยาใจมันเย็นใจมันสงบใจมันสบายการนั่งฟังสัพบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจให้จิตใ จ, จตื่นให้จิตใจเบิกบานให้จิตใ จ, จรู้ ในจิตในคำที่สันแสดงไปนี่คือการฟังธรรมะที่ถูกต้องที่ยังไม่มีพื้นฐานกำหนดบทพุทโธเอาไว้แต่เจยพูนที่มีพื้นฐานในจิตในใจถ้าสันแสดงไปสัมผัสสิ่งได้ที่เราเคยไปฏิบัติของจิตอยู่ในใจไม่เข้อใจในสิ่งนั้นพอสันแสดงไปถึงจิตมันกอจอ็จ้างคอยฟัง พอท่นแสดงผ่านไปมันก็ขอใจ ต, ต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องการจัดขับไล่อย่างนั้นเรื่องจิเลตในจิตในใจมันก็จําไปไปฏิบัติหรือบางทีก็ตกไปล่นไปพอมันข่อใจในการฟังนี่คการฟังในสมัยพุทธกาลที่ท่านเป็นโสดาสเศิษฐาคารหันว่าท่านตั้งใจฟังอย่างนั้นมันจะฟังจดจําฟังเพื่อจะนําทํา กำจัดขับไล่ที่เหลือตัญหาในใจพวกเราสมัยนี้ฟังธรรมกันอยู่ทุกคนทุกแห่งในบ้านก็เปิดวิทยุฟังกันแต่ก็ไม่คขอยใจเรื่องของธรรมว่าเป็นอย่างไรยิ่งผู้ที่ศึกษาด้านนอกไม่ค่อยเด้สนใจในธรรมเท่าที่ควรก็ถือว่าธรรมนี้คือล่าสมัยฟังไปก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ทาให้หวงเหงาห้าวนอน ทำให้เนื่เหนื่อยเหน่ยหิวคิดไปปรุงไปต่างๆนาน <c oughs> าเห็นธรรมะเป็นของคือของล่าสมัยไปใจใจของตัวคือล่าสมัยนั้นไม่ค่อยดีที่นี้พิจารณากันใจที่คือที่ลาสมัยธรรมะจึงเข้าไปสัมผัสในดาเพอมันมืดคึกแสงสว่างเข้าไปไม่ถึงเหมือนถ้ำลึก <c oughs> แต่นั้นเดืองของธรรมะถ้าหากจะที่เจรณาตามประฐานที่เจรณาโดยเป็นธรรมจริงจังธรรมะนั้นเป็นของนําสมัยอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ว่าธรรมะสอนพราวาสไม่ว่าธรรมะสอนนักปฏิบัติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของพระพุเทธเจ้าคนนั้นจะเป็นเพศใดภูมิใดก่อตามประเทศใดก็าตามชาติไหนก่อตาม คนนั้นยังทันสมัยยังมีคนนิยมชมชอบยังมีคนยินดีเดื่อมใสถ้าคนประพฤตินอกธรรมะเหนือธรรมะจะอยู่ในวัดในวาหรืออยู่ในบ้านในช่องจะเป็นประเทศใดกลุ่มใดก็าตามสังคมใดก็าตามขาดธรรมะเท่านั้นสังคมนั้นหรือหมู่นั้นประเทศนั้นจะต้องมีความเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะธรรมะไม่มีในจิตในใจของเขาเพราะไม่กลัวชั่วเสียต่างๆทำไปได้ตามเดือนของกิเลสตัณหานี่หมายถึงเดือนธรรมะไม่มีการล่าสมัยมเป็นไปตามลมปากของคนคนจี่ประพฤติปฏิบัติธรรมะถ้าเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติในธรรมะของฆราวาสนันก็ถูกต้อง ธรรมะของคารวะที่เจนสอนเอาไว้สัจจะธรรมะที่ติจาระเป็นธรรมะของค า, วาราวะคารวะจะทำสัจจะคือความจริงใจต่อกันสื่อสัตารสุจริตต่อกันคนที่สื่อสารสุสจริตต่อกันยิงใจต่อกันนั้น อยู่ในครอบครัวใดใน ม, มีการทะเลาะบอแวงกันมีความสื่อสารสุจริตต่อกันเชื่อมั่นในกันจะทํางานอะไรมันก็เป็นไปเผื่อความก้าวหน้าถ้าหากไมมีความสื่อสารสุดจริตต่อกันโดยเฉพาะสามีภรรยาถ้าหากไม่มีความจริงใจสื่อสารสุจริต สามีก็ไปมีเมียน้อยเสียภรรยากวหาครบครูใหม่ไปเสียถึงจะมีเขาของเงินทองมากม า, กายไก่กองอยู่ก่อนเขาของนั้นก่อนักวันจะสิบหายไปในก้าวหนะ้าม่เจริญเพราะเหตุใดเพราะจิตใจมันเสือ่อมจิตใจมันเสียจิตใจมันไม่มีธรรมะไม่มีกำลังใจที่จะประกอบการงานต่างเพราะเห็น ามีของตัวประพทติเชื่อประพฤติเสียนอกลูหอนอกทางไปหรือเห็นภรรยาของตัวประพฤติเชื่อประพฤติเสียไปมิจจะจะเกิดทะเลาะบอแวงข่ดตีกัน <c oughs> อย่าร่างกันนี่คนที่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงต่อกันในสื่อศรราสตร์สุจริตต่อกันอยู่ในกลุ่มใดหมู่ใดบ้านใดครัวใดสถานที่นั้น ไม่มีความเหยือกเย็นเป็นสุขให้ถ้าหากมีความสื่อสารสุจริตต่อกันยิงใจต่อกันครอบครัวนั้นลึกกลุ่มนั้นประเทศนั้นมันมีสามัรถทีมีความปองดองกันดีกลมเกี่ยวกันแล้วประเทศนั้นชุมชนนั้นครอบครัวนั้นหน้าวันจ ะ, จะเจริญขึ้นถึงของยังไม่มี ก็ค่อยจะมีขึ้นของที่มีอยู่แล้วก่อนวันเจริญก้าวหน้านี่คือสัจจะทำที่พระพุทธเจ้าสอนพรา ว, วาสธรรมะมีการข่มใจเพราะคนเรามันจะต้องมีการทะเลาะเบาแหว่งกันเป็นธรรมดาอยู่ด้วยกันมันจะถูกใจของตัวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใจใจของตัวเองบาง ัางบางเวลามันก็ยังโทษตัวของตัวได้แต่นั้นถ้าหากไม่มีการข่มใจเอาไว้ไม่มีธรรมะความข่มใจพอเขาประพฤติไม่ถูกจิต จ, จิตใจของตัวชั่วเสียยินยินนหน่อยหก็ไม่ออดไม่ทนไม่ข่มใจเกิดข่าเกิดตีเกิดต <c oughs> าเกิดว่ากันขึ้นถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะเหมือนกัน พือ ม, มีการข่มใจเหมือนกันก็เลยถกเถียงกันฟาตีกันเสียหายไปใหญ่ธรรมะจึงเป็นธรรมสำหรับฆราวาสที่อยู่ร่วมกันจะ ต, ต้องมีการข่มใจให้อภัยกันตักกองของใจให้ถูกต้อง <c oughs> นี่เป็น <c oughs> เรื่องธรรมของฆราวาสทันติคือมีความอดทน ต่อกตลอดถึงทำการงานต่างๆจะต้องอดทนต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆไม่ทอดทิ้งต่างน้าต่างตามากบั่นมีมาณะอดทนทำจริงทำจังนี่เดียวขันติคือความอดทนถ้ามีความอดทน พอถูกแดดถูกฝนถูกร้อนถูกหนาวนิดๆหน่อยๆหรือการงานยุ่งยากตก็ปล่อยทิ้งละทิ้งไปเสียการงานมันก็ไม่เจริญเก่าหน้าจากะคือยอมเสียสละ <c oughs> ทางด้านวัตถุทางด้านนามธรรมไม่ได้ตันีเหนียวแน่นงงหงวงแหนเฉพาะตัว ได้อะไรมาค่ะพระไ ย, ยาได้มากก่าบริโภคแต่ตัวตายกอยแต่ตัวสามีได้มากก่าไม่มีการเสรียเสือแผ่ไม่มีการแบ่งปันไม่มีจาคะอย่างนั้นก็อยู่ดยกันไม่เป็นสุขนอกจากนั้นจาคะทางภายในนามาธรรมคือด่านจิตใจก็ท่านองเดียวกันอีกเหมือนกันย้อนเสียสละสิทธิมานะ ความเห็นต่างๆนาๆ้านาจิตมันขัดแย่งกันปล่อยไปละไปถอนไปใจมันก็อยู่โดยกันได้สงบสบายนี่คือเรื่องธรรมของคารวะที่ควรนำไปกระพื่ปฏิบัติในครอบครัวถ้าครอบครัวใดมีธรรมประจําใจอย่างนั้นครอบครัวนั้นก็มีความมั่นคงมีความ สุขตามสบายตามฐานะ ห, หน้าที่ถ้าไม่มีธรรมประจําแล้วมันก็ยุ่งลําบากยิ่งธรรมของบรรพชิตของนักบวชก็เป็นธรรมละเอียดเข้าไปธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นจึงไม่คลืใอไม่ลาสมัยเราที่เจรนาดูอย่างศีลสมาธิปัญญานี่คือหลักของศาสนา พุทธาศาสนามีหลักอยู่สามขอ้อคือศีลสมาธิปัญญาเป็นไลาสิขาคือสิขาที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถ้าหากศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นของคลึ่อของล่าสมัยในทัานกับเหตุการณ์บ้านเมืองแล้ว <c oughs> คนผิดไม่มีาศาสนาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เขาทันสมัยถ้ามันเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองจะต้องล่มจมแตกสลายอยู่เด้วยวกันไม่ได้เพราะขาดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นหีนห้าข้อที่แันกล่าเอาไว้ปาณาติบาคือการไม่ขากันไม่ตีกันอยู่เด้วยวกัน อยู่ความสามาัคคีเมตตาอารีต่อกันนี่ถ้ามนฆ่ากันตีกันเราก็ไม่ต้องยุ่งยากลําบากในการหาอาวุธยุทโธปรกรณ์ต่างๆมาป้องกันประเทศชาติหรือในบ้านในช่องของเราก็ไม่ต้องหามาอาวุธต่างๆนั่นนะไต้ตงซื้อให้เสียเงนินพอไปที่ใดก็ไม่มีใคร ทะเราะวบาแหวงไม่มีใครอิจฉาขาตีเดี๋ยวคนขาตีกันไปที่ไหนก่นี่แต่ฆ่าแต่ต่อยเขาเตะเขาทำร้ายเขาคนอย่างนั้นมันทันสมัยหรือเปล่าให้พิจารณาดูถ้าเราไปต่อยเขาตีเขาแท น, นที่เขาจะกราบจะไหว้เขาจะว่าดีพิเศษไม่เขาจะต้องต่อยคืน บ่าคือพอเราทำชั่วทำเสียไปอย่างนั้นมันเกิดบาด่าก็าคือความทุกข์คือจะต่อยคืนตีคืนนอกจากนั้นเราเองนะที่นิจารนาเขามีความผิดอะไรทำไมไปด่าเขาไปตีเขาเราก็เสียใจอีกนี่มันไม่เป็นธรรมถ้ามันเป็นธรรมีสิ่ข้ อ, ขอนี้มันก็อยู่ด้วยกันปกติมีความสุขเพราะม่ ถ่าไหมตีกันขอ้อตีสองเสืออจินาทานือกรไหนรักในโมยกันนั้นก็อีกเหมือนกันบ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขมีเขาของเงินทองวางไว้ที่ไหนก็ปลอดภัยไม่ต้องไปหาตำรวจหรือคนยามมาเฝ้ารักษาเพราะ วางไว้ที่ไหนใครก่อสงวนสมบัติภาตาฐานของของตัวเขาไม่ให้ไหนหยิบไมนยกเอาไปเพราะถ้าหยิบยกเอาไปกผิดศีลถ้าคนมีศีลขอนี้ประจาทุกหัวคนไปในประเทศในโลกกมันจะสะงบจะสะบายขนาดไหน กลางวันทําการทําง า, า, านเหนื่อเหนื่อยเหนื่อยหิวกลางคืนมาเสารักษาสิ่งของแต่ถึงกับ น, นั้นมันโกมาป้นมาจี้มาขโมยเอาหนีเถลอไม่ได้บางทีหน่อยเผลอบางทีมันโลภมากมันก็มา ก, กี้มาป่อนออกไปนี่คนประเพจนี้มันทันสมัยเหรือมันดีเหรือถิ่นทคำคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมันคือล้าสมัยจริงๆหรือถ้าหากทำกันแบบนี้ จะมีความสุขไหมในครอบครัวหัวเนือในบ เ, เนื้อเชื่อใจกันมีอะไรมาขอคนนั้นเอาไปเสียคนนี้เอาไปเสียในบอกในขอกันแต่แต่เพียงครอบครัวเท่านั้นนั่งก็ยุ่งพาหากไปในประเทศชาติควรใหญ่มันจะเป็นอย่างไรตำรวจที่รักษาหน้าที่เดี๋ยวนี้ก็เรื่องเหล่านี้อย่างคนฆ่าคนจีคนลักคนขโมย เขาจึงไหนมีตำรวจเจ้าหน้าที่เสียเงินของรัฐไปเท่าไรในปีหนึ่งหนึ่งหาคนมารักษาคนชั่วคนเสียคนทันสมัยเนี่ยทันสมัยสมัยใหม่มันเป็นแบบนั้นมันไม่มีวันสงบมันมีวันสบายให้กลางวันทําการทํางานแถบลม้มแถบตายกันคืนมากกเฝ้ารักษาสิ่งของจะมีกําลังกายไปทําได้อย่างไรเพราะไม่ได้พักผ่อนเพียงพอถ้าหาก ใน ม, มีคนมารักมาขโมยอย่างนั้นกลางวันไปทํางานกลางคืนกลับมาบ้านก็อนพักผ่อนหลับนอนสะดวกสบายกําลังกายมันก็มีทําการงานอะไรนั่นก็ก้าวหน้าเป็นไปเถื่อนความเจริญในเป็นไปเถื่อความเสื่อมนีม่หมายถึงศีลที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ควรรักษาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ การนีสนิชาจานการประพฤตินอกอนอกใจใครเล่าจะไม่หวงแหนขู่ครองค้องกันสามีประพฤตินอกใจภรรยาไป ม, มีแฟนใหม่ภรรยาเขาจะเจ็บใจขนาดไหนภรรยาไปประพฤติชั่วประพฤติเสียทั้งทางคีอเป็นขู่าุรมลกันเป็นภรรยากันสามีจะเป็นอย่างไรในเรื่องเหล่านี้ก็พอทราบได้พะเรา ฝากรักกันจ้ะอยู่ร่วมกันด้วยความสุขความสบายบรรเทาทุกข์บำรุงสุขสุขกันและกันถ้าไปไปติแบบนั้นมันนอกฝกั่งนอกฝากนอกริดนอกรอยแล้วมันจะมีความสงบระงับให้อย่างไรเขาทําเข้าเราก็เสียใจเราไปทําเข้าทําไมไม่ได้จิตถึงจิต ถ, ถึงใจของเขาถ้าหาก ครอบครัวใ ด, ดก็พูดชั่วประพฤติเสียอย่างนั้นไม่มีวันเจริญเยอะกว่าหย่าร้างกันเยอะกว่าฆ่ากันตายตามหน้าหนังซื้อพินพ์เคยได้ยินบางที่ก่อตัดอวัยวะไปทิ้งเคยได้ยินเขาพูดกันเพราะความหวงแหนการประพฤตินอกใจก็เป็นภัยอันตรายอันหนึ่งสร้างความเดือดร้อน วนปั่นให้แกครอบครัวไม่ใจสร้างความสงบสุขมาให้สินข้อนี้จะเป็นของคือของลาสมัยหรือหากยังทันสมัยอยู่การพูดปดก็เหมือนกันพูดปวดนั้นใครใครก็ไม่ชอบแต่ก็ยังพูดกันพูดธรรมดาหลอกลวงเล่นกันก็ค่อยยังชั่วถ้าหากพูดเพื่อการต่มตุนกัน มันก็ไปกันใหญ่ความความเสียหายให้แกคนที่เชื่อถือนั้นมากมายทางกฎหมายจึงมีการจับโทษกันในเรื่องเหล่านี้สุราก็เหมือนกันอยู่ธรรมดามันก็บ่ายอยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซนพอเดินสุราเข้าเอาใหญ่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรสติเพอเสียไป ฐานจึิงห้ามเอาไว้นี่คือศีลถ้าหาคนรักษาป <c> ฏ <oughs> ิบัติตามธรรมะสีพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ไม่มีการขาดจีกันไม่มีการลักฉกกันไม่มีการประพฤตินอกจิต น, นอกใจกันไม่มีการหลอกลวงกันพูดตามตัดตามจริงไม่มีการดื่มสุราทะละาะเบาแหว่งกัน มันจะเป็นอย่างไรโลกอันนี้มันจะทันสมัยหรือมันจะคืบควรที่นี่พิ่จรณญนถ้าหากศีลมันคือมันล้าสมัยมันไม่เป็นไปถึงความสุขความเจริญแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีทำไมยังมีผู้นิยมชงชอบต่างหน้าต่างตาประพฤ่ปฏิบัติรักษาคนเหล่านั้นเขาโง่เขาล้าสมัยกันหมดหรือไม่คนดีทั้งนั้น อย่างพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านรักษาศีลท่านก็ไม่ได้ไปทํามาหาชีนค่าขายอะไรก็มีคนมาให้มาบูชาเพราะเหตุผิวว่าท่านเป็นคนดีถ้าไปประพฤชิชื่วประพฤติเสียถึงจะมีผ้าเหลืองๆห่มคลองอยู่ก็ตามเขาก็ไม่เลื่อมใส่ศรัทธาเพราะเหตุใดเพราะท่านไม่มีธรรมมีวินัยประพฤติไปเลี้ยงซามต่างๆนี่เขาดูถุหมิ่นนินทาอย่างนั้นถ้าหา ศีลมันไม่ทำสมำไมทาไมยึงถือกันเดือมใสกันยินดีกันไม่มีท่างทั้งที่ไม่มีกฎหมายบ่งบอกว่าใครไม่ถือศีลไม่เชื่อฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นจะได้รับโทษจำคุกหรือประหารชีวิตไม่มีแล้วแต่คนใดที่จะเดือมใส่ศรัทธาถือกันแต่ถึงกระนั้นก็ยัง อย่างยืนมาถึงพวกเรากฎหมายสมัยใหม่คนที่ทันสมัยต่างขึ้นเห็นไหมละ่ะพอรัฐบาล น, นั่งขึ้นมาก่าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ข้อนั้นไหม่ดีข อ, อนี้ใม่สมควรไม่กี่เดือนกี่ปีเปลี่ยนอยู่เรื่อยนั่นมันทันสมัยไหมสินที่บัญญัติมาตั้งสอง0ันหรกว่าปีแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอยู่ ในเห็นมีข้อไหนที่จะควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขสมาธิก็เหมือนกันความตั้งมั่นของใจเรียกว่าสมาธิจิตใจตั้งมั่นจะทำอะไรทำกันจริงจังไม่เลาะแหละเล้วไหลตั้งใจทำทิ่งหนนั้นแต่ถ้าทำในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิถ้าทำในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิสมาธิคือความหนักแน่นของใจ ใครๆจะตาดถนาถ้าคนมีความตั้งมั่นทำอะไรทำการจริงจังในผ่อนสิ่งการงานในเลอะแหละเล้วไหลหชือว่าคนมีสมาธิคือมีกำลังใจมีความตั้งมั่นของใจถ้าหากขาดสมาธิคนไม่มีจิตใจหนักแน่นไม่มีจิตใจเป็นแฉมสารชอบใครก็วิ่งตามเขาไป อย่าทำอะไรก็ไปทำแต่ทำแต่เดียวๆยังไม่ได้อะไรยังไม่เป็นไปให้ทอดทิ้งอย่างนั้นโลกทั่วไปเขานิยมเหลื่อมใสไหม้ากว่าสมาธิมันไม่ดีไม่มีคุณค่ามีหมายถึงสมาธินอกสมาธิในที่เรื่องจิตใจหนักแน่นในขอวัดปฏิบัติในการดัด แปงแก่ไข ย, ยื่นแตนหาออกจากใจนี่ก็เป็นเรื่องสาคัญภายในสมาธิของนักปฏิบัติที่ท่านพูดเข้ามาด้านภาวนาด้านภายในนั้นหมายถึงคณิกะอุปจาระอัปปนานี่เป็นสมาธิที่มีตามสำหรับตำราที่ท่านกล่าวเอาไว้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็ออกไปจากใจคือผู้ประพฤะติปฏิบัต ตามอาธิธำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตั้งมั่นแต่ทาบริกรรมภาวนาหรือกำหนดลมหายใจก็าตามตั้งใจมั่นทำกันอยู่นั้นเมื่อไม่เกิดผลเมื่อไรจะไม่ยอมปล่อยวางละทิ่งการทาของตัวทาอยู่นั้นผลที่สุดทำไปในหยุดจิตก็จะสงบทำมันงสงบสงบชั่วระยะ สั้นันท่านก็เรียกว่าท่นนิกะสมาธิถ้าสงบไปนานหน่อยแล้วก็ออกรู้จริงต่างๆเรียกว่าอุปจาระคือสงบแล้วถอนออกมารู้ภายนอกถ้ามันสงบแน่นเข้าไปจริงจังจนปล่อยวางเรื่องขาดขันตั้งมั่นอยู่เป็นเอกเทศเรียกว่าอัปปนามีผู้ประพฤติปฏิบัติศึกษา จะเห็นจะเป็นในจิตในใจของตัวชื่อของมันอยู่ตามตำหลับตาําราแต่ตัวจริงของมันอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านทําการถ่าเห็นถ่าเป็นแล้วไม่ต้องไปอ่านตําราก็ได้มันอยู่ในนี้ทั้งหมดเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเรื่องวิชาวิมุติกว่าดีตํารานั้นท่านเขียนออกไปจากนี้ถ้าในนี้อยู่ในนี้ เขียนใจนั่นก็ไม่ถูกคนที่เขียนตำรับตำราทางศาสนาทางธรรมะโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นในใจผู้เขียนนั้นจะเขียนละเอียดแยกทายคนที่เคยฝึกเคยปฏิบัติมาแล้วอ่านจะเข้าใจว่าอันนี้ท่านได้มาจากจิตจากใจของท่านเขียนไม่ได้หยิบยืมออกมาจากตำรับตำลาหรือลมปากของคนอื่น ถ้าหากได้ถ้าหากมันมเป็นในจิตในใจมันเข้าไม่ถึงถ้ามันเป็นในจิตในใจเขียนไปถึงนิดๆหน่อยๆก็มีคุณค่าเหมือนกันกับเงินทองถ้าหากมันเป็นเงินจริงทองจริงแล้วไม่ต้องมากมายเท่าไรมันก็มีคุณค่าตามที่เรามีอยู่แต่ถ้ามีแจบัญชีของมันจะมีจำนวนพันจานวนล้าน มันกดซื้อขายอะไรไม่ได้เพราะมีแต่บัญชีตัวเงินไม่มีมีความรู้ที่เรารู้เราพอใจเรื่องธรรมะจากการศึกษาจากตำหลับตำลาของธรรมนองเดียวกันทั้งที่รู้เรียนมานักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาบาลียนต่างๆจบมาแต่ศีลสมาธิปัญญาจริงๆังมีไหมมันไม่มีในใจถ้ามันมีในใจคนเหล่านั้นจะมีความฝุ่ความสบาย จิเดชตัณหาหน้าไหนจะมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับใจไม่ได้เพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญา <c oughs> สามารถที่จะฝากฟันจิเดชตัณหาให้แตกกระจายไปได้นี่มันไม่เต้นอย่างนั้นมันได้จริงเจตําหรับตำราได้แต่สั้นยาความจำเท่านั้นมันไม่มีในตัวในใจของคนนั้นจริงจังมันจึงไม่เย็น ไม่สุขไม่สบายไม่สงบให้แะนั้นการปรพฏิบัติธรรมะนั้นท่านจึงให้เป็นโอปัยญโกน้อมเข้ามาพิจารณาภายในดูกายดูใจของตัวให้ทั่วให้ถึงถ้าหากเรามาวกดูกายดูใจของตัวมาที่นิ้พิจรารณาหาความจริงในนี้ เมื่อเราเห็นของจริงในตัวของเราเท่านั้นโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังเอาไว้นีิความอายในใจอดตะป่าความกลัวต่อชั่วต่างๆในต่อมังคับบัญชามันเ็นขึ้นมาเองเมื่อมีความอายบาปกลัวบาปแล้วศีลนั่นก็ไม่จำเป็นที่จะยากเย็นอะไรในการรักษานี่มันไม่มีอะไรในจิตในใจมันจึงมีกฎหมาย คุ้มครองรักษากันมีตำรวจทหารรักษาบ้านเมืองเพราะใน ม, มีศีลมีธรรมในจิตในใจถ้ามีศีลมีธรรมแล้วมันสะดวกมันสบายคิดถึงใจเขาใจเราเมื่อเราพูดไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นถ้าหากคนอื่นเขามาทำกับเราเราพอใจดีใจไหมมันจะมาเสียบเทียบดูถ้าหากเราเสียใจ เราควรไหมจะไปทำกับเขาอย่างนั้นมันจะสอนใจของตัวเองมีเหตุมีผลนี่คือคนมีอาจมีธรรมในใจแต่นั้นเรื่องธรรมะถึงจะผ่านเวลามานมนานตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีกว่าตามถ้าหากผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้คนนั้นยังทันสมัย ยังเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปจะเป็นประเทศใดหนุ่มแจคาราวาสบันพชิตไม่ว่าขอให้มีธรรมะเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของคนคนนั้นทันสมัยดีกว่าเครื่องประดับภายนอกเพ็ดพลอยที่เขาถือว่าเป็นของหยิบของดียังไม่มีคุณค่าสาระยิ่งเท่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าหากเขาให้มีธรรมะ เขามีเครื่องประดับ